สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะเล่าไม่ ในขณะที่โลกกําลังเดือดร้อนระอุด้วยไฟกิเลส หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยะเจ้าองค์ แล้วขอรับอุบายธรรมปฏิบัติจากท่านเดี๋ยวแล้วก็เอามา หลวงปู่เมื่อวันอังคารเดือนห้าปีขานท่านเกิดที่บ้านกุดตะเคียนอำเภอเคืองในจังหวัด 2443 โยมพ่อชื่อว่านาย ตัวหลวงพ่อผางเองเป็นลูกคนสุดท้องอุปนิสัยหลวงพ่อผางสมัยเป็นเด็กจนเติบโตเป็น ว่าเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็สับสนวุ่นวาย 2465 บวชเข้า นอกจากนี้ตัวเองก็จะได้ชื่อว่าเป็น ความเป็นผู้ไม่มีบุตรเลยเนี่ยเป็นความดีอย่างนึงก็คือศรีภริยามี แล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าที่ฉันเข้ามา ฉันจะบวชยังไม่มีกําหนดถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์ที่ เมื่อภรรยาออกบวชชีแล้วท่านก็ครองโสดอยู่เป็นๆไปโดยปกติไม่เคยคิดที่จะเป็น ของเราซึ่งเคยพูดไว้ซึ่งเคยพูดไว้ว่าคนเรานี้เกิด พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่จะหนีทุกข์ได้ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นๆแล้วคุณจะได้ศึกษา เรียกว่าบวชเพื่อเอาแย่งกันกินรอดเท่านั้นบวช ในยามนี้บ้านเมืองก็กําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสคือเวลานั้น ความจริงแล้วท่านได้มองย้อนหลังไปเห็นพ่อแม่ที่เคยมีพระคุณอันสูงล้ำถ้าท่านได้บวชก็เท่ากับได้ทดแทนพระคุณนี้ให้หมดไปในชาตินี้ได้ โดยอาศัยกายวาจาของเรานี้ตั้งมั่นลง 2488 เมื่อ 42 ปีท่านบวชนาน 4 พรรษา จิตใจของท่าน 2492 โดยมีพระ หลังจากนั้นท่านได้เข้าเช่นพม่าลาวเป็นต้นถึงแม้จะเป็น 42 ปีแล้ว ภาวนาก็สอนท่านตั้งแต่วัน ภายหลังจากที่อยู่จำมรรษากับพระอาจารย์อ่อนมรรษา 1 แล้วพระอาจารย์อ่อนก็แนะนําบอกว่าการที่ท่านมีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิด พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและพระอาจารย์สิงขันทยาขโม ตัดทุ่งมุ่งสู่ป่าเขาทุ่งมุ่งสู่ป่าเขาเพราะว่า 2 กิโลเท่านั้นชนิดพวกช้างเสือ คือไปพบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเวลานั้นท่านพักอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ช่างงดงามจริงๆจะพูดจะทําสิ่งใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นก็จะต้องพยายามฝึกฝนให้บังเกิดความจริงที่เรา หลวงปู่พรังท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังบอกว่าหลวงจะบวชเพียงชั่วคราวให้ แต่ถ้าธรรมะสามารถแก้ไขจิตใจของท่านได้รู้เหตุผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจได้แล้วท่าน ภายหลังจากที่ออกพรรษาแล้วหลวงสมณะหลวงปู่มั่น ถ้าเรายังขี้ขลาดนะเอาเสือเอาช้างนี่แหละ เสือมันร้องรอบๆด้านดังอย่างกับมาเป็นกองร้อยหนักที่ภาวนาหนักก็ หงองอไม่หงอนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดคืนตลอดแจ้งอือมันมันเหมือนจะถ่าย ว่าสู่อันนี้มันดุขนาดไหนกลัวเสือนี่กลัวสุดๆเลย ปรากฏว่าการทําความเพียรภาวนา เป็นเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อลืมตาขึ้นเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อลืมตาถึงกับทําให้งู ท่านก็มองอยู่นานสงสัยว่าเจ้างูตัวนี้มันเป็น ถ้าเป็นอาหารของเจ้าแล้วถ้าเห็นสมควรก็อ่ะไปซะเถอะเป็น หลวงพ่อผางเป็นพระที่เก็บตัวเงียบๆตั้งใจในๆนี่ พระอาจารย์มั่นก็เหมือนกันท่าน ญาณสัมปันโนเขียนไว้ในประวัติหลวงปู่มั่นว่าสมัยที่หลวงปู่ แต่ละองค์ก็ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆไม่พร้อมกันก็ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ ป่าเป็นสถานที่สงบระงับป่าเป็นสถานที่วิเวกเหมาะแก่การประพฤติ ที่เกิดขึ้นหลายเรื่องอย่างเช่นๆตลอดเวลาที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เวลาที่ท่านใช้ชีวิต ไม่ว่าสัตว์อะไรก็ตามเมื่อเข้ามาใกล้แต่เมื่อมาใกล้สัตว์พวกนี้จะเชื่องซึมไปโดยทีเดียวหลวงปู่พังมี เวลานั้นมีเสือโคร่งลายพาดกลอนๆคืบคลานเข้าไป หลวงปู่ผางก็มองเห็นมันอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างใด เป็นเวลาที่แกต้องออกไปหาอาหารกินเหมือนกับสัตว์อื่นนี่ ลูกศิษย์วัดได้รับอนุญาตให้ไป ว่าจะต้องได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อนเรื่องๆเข้าไปยังบริเวณ หลวงปู่ผางเวลานั้นหลวงปู่ผางกําลังนั่งสนทนากับพระอีกองค์หนึ่งพระภิกษุทันสมัยรูปนั้นมาถึงก็ยกกล้องที่แขวนๆเข้า หลวงพ่อผางท่านได้ยินข่าวเรื่องนี้เข้าท่านไม่ ครั้งหนึ่งชาวบ้านแถวๆภูผาแดงเห็นพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งเดินทุรดง เป็นคําตอบประโยชน์แค่นี้แล้วท่านก็เดินจากไปยัง บนภูผาแดงเนี่ยเดิมทีเดียวเป็นๆบริเวณโดยทั่วไปร่ม เพราะว่ามีสัตว์จุกจุมมากทั้งพวกสัตว์เลื้อยคลานพิษร้ายแต่ สีแสงนั้นงดงามเหลือเกินมองดูแล้วเย็นจิตๆกัน เมื่อทุกคนขึ้นดังนั้นชาวบ้านก็ร่วมจิตใจสร้างกุติขึ้นหลังหนึ่งถึงก็พบกับ แล้วก็ได้อยู่จำพรรษาที่นี่ท่านมีความตั้ง ตัวมันเปียกร่างกายมันเย็นมันหนาวก็ช่างมันเถอะขอให้จิตใจเราสบายมันก็เป็นสุขแล้วไม่ต้อง หลวงปู่ผางไม่วันบางคราววันบางคราวไม่ไป ก็ไม่ได้ทําให้ท่านท้อแท้ในการประพฤติปฏิบัติแปลกๆนะคราว ก็สงสัยว่าทําไมหลวงพ่อไม่ยอมลงมารับบาดเลยท่านหายเงียบไปท่านอยู่บนภูเขาแล้วท่านจะๆนานาจนรุ่งเช้าคนถึงได้ขึ้นไปบนภูผาแดงที่ท่านปักรดอยู่จํามนษาเมื่อไปถึงหลวง แต่ว่ารอบๆกรดของหลวงพ่อนี่มีรอยเท้าวาเท่านั้น เขามาขอเมตตาบารมีจากอาตมาเท่านั้นแหละเขาไม่ เห็นเสือกับควายเสือกับเก้งมานอนหมอบอยู่ใกล้ๆกันโดยไม่เข้าทำร้ายกันต่อหน้าหลวงพ่อเลยเมื่อสมัยที่พระเดชพระ แล้วเวลานั้นการเงินก็ไม่ค่อยดีลูกน้องไม่มี คงจะมาตามน้ําเพราะว่าน้ําท่ามันลดลงๆพูดๆ ก็เคยเห็นรอยตัวขึ้นมาแต่ก็ไม่มีเออนายช่างไม่มีอืมเอาเดี๋ยวของที่เป็นบารมี 200 บาทเอาเงินนี่ไปซื้อนะแต่ก่อนไปตลาดต้องไปขัดเรือที่ นายจังก็เล่าให้ฟังว่ามือสั่นขาสั่นเลยสิแต่ว่าในจิต ถัดจระเก้มันเกิดไล่ขึ้นมานี่มือสั่นไปหมดก็ ขัดไปจิตใจก็ค่อยดีขึ้นไปใจก็เริ่มกล้าขึ้นเพราะว่าเขา 3 ตัวเค้าจําติดเออจ้องอ๋อใน ผมก็เห็นว่าอย่างนี้เองหลวงพ่อถึงๆก็ให้ขับรถๆสําหรับ เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่การบอกใบ้ให้หวยแต่ประการใดเพราะว่าการ วันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อผางท่านเข้ามาๆมาแล้วหลายแห่งแล้วตรงนั้นขณะที่เจริญภาวนาท่านก็ ชายคนนี้แต่งตัวคล้ายเป็นฤาษีหนวดเครารุงรังแต่ว่าผิว สมัยโบราณเล่นแร่อัญมฤตนี้ด้วยอำนาจฤทธิ์วิทยาคมที่สูงเยี่ยมหลากหลายเป็นธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์อำนาจทางใจเป็นผู้ประสิทธิ์ขึ้นมีหลายชนิดแต่ละชนิดก็เป็นไปตามฤทธิ์อำนาจๆ ไปฝังลงในภูเขาหินด้วยภาย หลวงปู่ผาท่านได้มา 2-3 ก้อนจิตเพื่อพระภิกษุแล้วผู้สร้างข้อ 2 ขอให้สร้างพระเจดีย์หรือว่าจุลามณี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาข้อ 3 เขาจะมาขอเมตตาบารมีอยู่เสมอจากหลวงปู่ผางแล้วข้อ 4 เขาถวายหลวงปู่ผาง 1 ก้อนนะแล้วข้อที่ 5 อีกก้อนนึงนะท่านจะบรรจุไว้ในวัตถุมงคลหรือเป็นพระพุทธรูปปลิ่งก็ไม่ปรากฏแน่ชัด จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ 30 ปีที่ผ่านมาทําไมหลวง ผู้ใดมีวัตถุมงคลอันเป็นเครื่องน้อมระลึกเอ่อ ภาวนาอยู่กลางป่าที่ท่านพระปักปรด น่ะเหมือนกับขา 4 ข้างถูกยึดเติงเอาไว้หู 2 ข้างกระพือพรับๆน่าถึง เรายินดีรับใช้เวรกรรมแต่ถ้าพี่ช้างก็เรา หลวงพ่อผางพูดจบๆที่อยู่ใกล้มือนี่เคาะหัวมันเบาๆ 2-3 ครั้งแล้วก็ยืนเฉยๆฝ่ายช้างพลายตกมันได้สตินะคงจะนึกอายตัวนั้นน่ะช้างพลายก็หัน นี่คณะศาสดาจารย์มันยังไม่ยอม กลับมาฉันฉันแล้วก็บ้างเวลา 10:00 น. น, น, น, นเสร็จเสดก็ หลวงปู่ท่านจะแก้ไขนําอุบายทําให้ได้ ตี 5 ก็เดินจงกรมจนได้อรุณออกบิณฑบาตอันนี้เป็น อย่างเช่นไก่ตัวนึงที่ได้เข้ามาอาศัยบุญบารมีจากหลวงพ่อไก่ตัวนี้จะคอยมองดูแขกที่มาเยี่ยมเยือนเมื่อแขกเข้ามาพบหลวงพ่ออ่าเวลามีคน แต่ถ้าคนที่รุ้มร่ามเข้ามาถึงบริเวณที่ควรจะให้ความเคารพ ถอดรองเท้าแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไก่ ก็ได้มาอาศัยร่มบุญของหลวงปู่ผางแห่งวัดอุดมคงคากิริเขตจังหวัดขอนแก่นความเป็นพระสงฆ์ผู้มีกระแสจิตอันแรงกล้านี้หลวงปู่ผางเป็นพระองค์หนึ่งในจำนวนคณาจารย์ใหญ่แห่งประเทศไทยสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็คิดสร้างเหรียญ 3 เดือนท่านเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่ได้เพ่ง มีทหารที่อาสาไปรบในเวียดนามติดตัวไปแล้วท่าน เคยบอกว่ามันประกอบกัน 1 เป็นบุคคลที่มีศีลประจําจิตใจไม่ 2 เป็นผู้ที่มี 4 เป็น เว้นแต่วิบากกรรมเท่านั้นอนิจจังต้องรับนะวิบากกรรมหนักๆนี่อ่าไปแก้ไข มีอยู่คนอยู่ข้างวัดเนี่ยนะรถมาคว่ํารถเออคิดดูสิดี เอวังทันว่าอย่างนั้นปัจจุบันถึงแม้ว่าหลวงพ่อผางจิตตคุโต มาเล่าให้ฟังมาสั่งมาสอนทานเมตตาอันเป็นทิพย์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเรา บัดนี้ถึงแม้ว่าหลวงปู่ผาง นั่นจิตตะคุตโตเรื่องของหลวงปู่ผางจิตตคุโตวัดอุดมคงคาคีรีโลกาจะวินาดขอ ถวายสถานีวิทยุท้องถิ่นวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องครับติด 084 643 8770 ครับ